ขั้นของการปฏิบัติศาสนาไตรสิกขาในบทนี้จะบรรยายให้ทราบถึงวิธีที่จะตัดอุปาทานหลักพุทธศ า, าสนาที่เกี่ยวกับกรณีนี้คือศีลสมาธิปัญญาข้อปฏิบัติหมวดนี้เรียกว่าไตรสิกขา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 ที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่ตนต้องการขอให้ตั้งท่อสังเกตความหมายของคำว่าสมาธิไว้ให้ถูกต้องโดยมากท่านทั้งหลายย่อมจะได้ฟังมาว่าสมาธินั้นคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่นิ่งเหมือนท่อนไม้หรือมากว่าเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ลักษณะเพียงสองอย่างนั้น ไม่ใช่ความหมายอันแท้จริงของสมาธิการกล่าวเช่นนี้มีหลักในพุทธวจนะนั่นเองพระองค์ทรงสแสดงลักษณะของจิตด้วยคำอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญที่สุดคือคำว่ากัมมณีโยแปลว่าสมควรแก่การทำงานและคำนี้เป็นคำสุดท้ายที่ทรงสแสดงลักษณะจิตที่เป็นสมาธิ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 มันจริงไม่ใช่ความจริงด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงมีระเบียบปฏิบัติเรียกว่าปัญญาสิกขานี้ขึ้นอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนสุดท้ายสำหรับจะได้ฝึกฝนอบรมให้เกิดความเข้าใจให้เห็นแจ้งในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงโดยสมบูรณ์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 หรือด้วยการมีจิตใจจดจอ่อต่อเนื่องอยู่กับสิ่งนั้นๆโดยอาศัยการเฝ้าเพ่งดูอย่างพี่นิดพิจารณาจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไม่ลหลงไหลในสิ่งนั้นๆด้วยน้ำสาสใจจริงไม่ใช่ด้วยการคิดเอาตามเหตุผลเพราะฉะนั้นปัญญาศิกขาตามหลักของพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงปัญญาที่ได้มาจากหลักของเหตุผล เหมือนที่ใช้กันอยู่ในวงการการศึกษาวิชาการสมัยปัจจุบันแต่เป็นคนละอย่างกันทีเดียวปัญญาในทางพุทธศาสนาต้องเป็นการรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยน้ำใสใจจริงด้วยการผ่านผจนสิ่งนั้นๆมาแล้วโดยวิธีใดวิธีหนึ่งจนฝังใจแน่วแน่ไม่อาจลืมเลือนได้เพราะฉะนั้น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 ศีลสิกขานั้นเป็นเพียงการศึกษาปฏิบัติในขั้นตระเตรียมเบื้องต้นเพื่อให้เรามีความเป็นอยู่ผาสุกอันช่วยให้จิตใจเป็นปกติอานิสง์ของศีลมีหลายอย่างด้วยกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดสมาธิอานิสง์อย่างอื่นๆเช่นว่าให้เป็นสุข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 อย่างนี้เรียกสมาธิแม้ในส่วนที่เกี่ยวกับประโยชน์ทั่ ว, วไปในทางโลกสมาธิก็ยังเป็นของจาเป็นทุกกรณีไม่ว่าเราจะทำอะไรถ้าไม่ทำด้วยใจที่เป็นสมาธิแล้วย่อมไม่ได้รับผลสำเร็จด้วยดีท่านจึงจัดสมาธินี้ไว้ในลักษณะของบุคคลที่เรียกว่ามหาบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นมหาบุรุษทางโลกหรือทางธรรมล้วนแต่จำเป็นจะต้องมีสมาธิเป็นคุณสมบัติประจำตัวทั้งนั้นแม้แต่เด็กนักเรียนถ้าไม่มีจิตเป็นสมาธิแล้วจะคิดเลขออกได้อย่างไรสมาธิในทรามนองนั้นเป็นสมาธิตามธรรมชาติมันยังอยู่ในระดับอ่อนส่วนสมาธิในทางหลักพุทธศาสนาที่เรากาลังพูดถึงนี้ เป็นสมาธิที่เราได้ฝึกให้สูงยิ่งขึ้นไปกว่าที่จะเป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเมื่อฝึกกันสำเร็จแล้วจึงกลายเป็นจิตที่มีความสามารถมีกำลังมีคุณสมบัติพิเศษอย่างอื่นๆมากมายเหลือเกินการที่คนเราสามารถถือเอาประโยชน์จากสมาธิได้ถึงปานนี้เรียกว่า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 เราก็จะได้ผลในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากไปกว่ามนุษย์ธรรมดาที่เขาได้ได้กันเพราะว่าเรามีเครื่องมือที่สูงไปกว่าที่เขามีเพราะฉะนั้นจึงขอให้สนใจไว้อย่าถือว่าเป็นของครื้งโง่เขลางมงายพ้นสมัยมันยังเป็นของที่สำคัญที่สุดซึ่งจะต้องใช้กันอยู่เรื่อยไป และยิ่งในสมัยที่โลกมีอะไรอะไรหมุนเร็วแทกจะลุกเป็นไฟอย่างนี้ด้วยแล้วยิ่งจะต้องการสมาธิมากไปเสียกว่าครั้งพุทธการด้วยซ้ำไปอย่าไปหลงคิดว่าเป็นเรื่องไปวัดหรือเรื่องสำหรับคนวัดหรือเรื่องของคนงมงายเลยถัดไปนี้ก็จะถึงความเกี่ยวเนื่องกัน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 ข้อนี้มีความแปลกประหลาดอยู่หน่อยหนึ่งคือว่าเรื่องอะไรอะไรที่เราอยากรู้หรือปัญหาที่เราอยากจะสะสางนั้นตามปกติมันฝังตัวอยู่ประจำอยู่ในใจของคนเราทั้งนั้นเราอาจจะไม่รู้สึกก็ได้คือมันอยู่ในจิตใต้สำนึกเดือยไปตลอดเวลาขณะที่เราตั้งใจจะสะสางให้ออกมันก็ไม่ออก เพราะเหตุว่าจิตใจขณะนั้นยังไม่เหมาะสมที่จะสะสางปัญหานั้นนั่นเองถ้าผู้ใดทำสมาธิที่ถูกต้องคือให้มีลักษณะที่เรียกว่ากรรมนีโยพร้อมที่จะปฏิบัติงานทางจิตแล้วปัญหาต่างๆที่สะสมอยู่ในจิตใต้สำนึกนั้นมันจะมีคำตอบโปล่งออกมาเฉยๆอย่างไม่มีปีไม่มีขุยต่อเนื่องจากจิตที่เป็นสมาธินั้น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 คือความหมายของความเป็นศาสนาสากล